ความสุขมีมากมายธรรมชาติรอบกายก็รอจะให้ความสุขอันมาดูหลักทั่วไปควรพูดถึงประเภทของความสุขกันบ้างความสุขประเภทที่ว่าไปแล้วก็มีความสุขจากการเสพจากการได้สนองพัสสะในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสกายที่น่าใครน่าปรารถนาพูดง่ายว่า เป็นเรื่องของการสนองตันหาว่าดด้วยการมาสุขหรือสามิสุแล้วก็ก้าวมาสู่ชันทะซึ่งเป็นแรงจูงใจฝ่ายดีที่มีการพัฒนานามาสู่การศึกษาการสร้างสรรการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติและการพัฒนาขึ้นไปในความสุขเมื่อมาถึงชันทะเรื่องความสุขก็ก้าวต่อไปดังที่ได้พูดในเรื่องระบบการทางาน ว่าด้วยความสุขในการทำงานแล้วมาถึงความสุขในการศึกษาแต่เรื่องความสุขจากชันทะยังมีต่อไปอีกจากนั้นก็มีความสุขทางสังคมสุขจากไมตรีจิตมิตรภาพสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยใจมีเมตตาการุณาเป็นต้นสุขในครอบครัวในหมู่ในชุมชนที่อยู่กันด้วยความมีน้ำใจ เอาใจใส่กันรักกันระลึกถึงกันพร้อมเพียงสราบซึ้งบันเทิงใจในสามัคีรถเป็นเอกภาพด้วยสารณียธรรมแล้วก็มีความสุขกับธรรมชาติสุขจากการไปอยู่กับธรรมชาติหรืออยู่ท่ามกลางธรรมชาติสัมผัสความสงัดสงบงามสดชื่นน่ารื่นรมของธรรมชาติรอบตัว ทั้งหมู่ไม้สายลมคุณเขาพื้นน้ำท้องฟ้าชื่นชมพันไม้ที่สะพรั่งด้วยดอกใบและสับสำเนียงเสียงแห่งความวิเวกของงูนกสัตว์ป่าและท้องฟ้าคลึ่งกลางราววันสการเป็นต้นความสุขด้านสังคมนั้นในพระพุทธศาสนาย้ำเน้นอย่างยิ่งและสุขด้านธรรมชาติท่านก็ชื่นชมไม่มากมายให้เป็นแบบอย่าง บางทีก็ามาด้วยกันทั้งสุขด้านสังคมและสุขกับธรรมชาติให้อยู่กันด้วยความรักสามาคัคคีแม้แต่ในแดนพงไพรดังในโคสิงคสารละสูตรเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าเสด็จไปทรงเยี่ยมพระภิกษุสามรูปที่ป่าโคสิงคสารละวันทรงทักทายแต่ถามตอนหนึ่งว่าดูก่อนอนุรุท ธ, ธะทำอย่างไรเธอทั้งหลาย จึงยังพร้อมเพรียงสามัคคีชื่นบานต่อกันไม่วิวาดเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำและโดยการด้วยจากสุขอันเป็นที่รักอยู่ได้ที่ป่านั้นท่านพระสารีบุตรกล่าวถามพระมหาสาวกรูปอื่นว่าป่าโคสิงคสาลวันนี้น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจ่างต้นสาละผลิดอกบานสะพรั่งเต็มต้นหมดทั้งป่าส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่ว ดุดดังกลิ่นทิพย์ก็ปานฉะนั้นท่านเอ่ยป่าโคสิงคาสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานไรในพระไตรปิฎกมีคำภีจำนวนมากที่เป็นคำประพันธ์ร้อยกรองคือเป็นคาถาและมีคาถามากมายเป็นคำพรรณนาชื่นชมธรรมชาติตัวอย่างง่ายๆคือมหาเวสสันดรชาดกซึ่งขอยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างนิดหน่อย เช่นว่าหน้าที่ใกล้สะบกขรณีนั้นมีฟงนกดูเบาเมารถดอกไม้ส่งเสียงไพร่จับใจทําป่านั้นให้ดังอึกทึกกึกก้องเมื่อคราวหมูไม้ผลิดอกย้ามบานตามฤดูกาลรสหวานดังน้ำพึง่งเยิอมหยดจากเกสรดอกไม้ลงมาค้างอยู่ที่บนใบบัวป่านั้นมีนานากลิ่นสุขคนที่ลมรำเพยพัดมาหอมฟงตลบอบอวน เหมือนดั่งจะเชิญชวนคนที่มาถึงให้เบิกบานด้วยดอกไม้และกิ่งไม้อันมีกลิ่นหอมหมู่แมลงผู้ชื่นชมกลิ่นดอกไม้พากันบินว่อนวู้บันลือเสียงอยู่โดยรอบในคราวที่พระกาลุทธายีกราบทูนาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมพระพุทธบิดาที่กรุงกบิลพัทก็พนานาทินพนานาทางเสด็จ เป็นคาถาชมธรรมชาติที่งดงามเรื่นรมบนเส้นทางที่จะเสด็จผ่านไปประมาณห0สิบคาถาแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงรับนิมนต์ขอยกคาถาของพระกาลุธทธายีมาดูเป็นตัวอย่างสองคาถาดังนี้จำปาช้างเน่ากากะทิงทรงกลิ่นหอมยามลมริ่มพายพัดยอดอันสพรังด้วยดอกเด่นตาดังว่ามีใจอาธร พากันโน้มกิ่งดังน้อมกรลงมานกถวายบูชาด้วยกลิ่นสุขคนข้าแต่พระผู้ทรงมหายศชัยบัดนี้เป็นเวลาที่ควรจะเสด็จคันไลเหล่านกแก้วนกสาลิกาต่างสีสันงามตารูปสวยเสียงไพเราะบินขึ้นบินลงไปมากลุ่มรุมยอดไม้ขันร้องอยู่สองข้างทางพากันส่งเสียงกู่กันไปกู่กันมาบัดนี้เป็นเวลาที่พระองค์จะได้ทรงเห็นพระชนกแล้ว รวมความว่าพระพุทธเจ้าและพระอระหันต์มีจิตบริสุทธิ์แล้วก็สัมผัสชื่นชมความสงัดสงบงามน่ารื่นรมของธรรมชาติและอยู่กับธรรมชาติยังมีความสุขเป็นธรรมดาส่วนพระเสขะและปุถุชนก็ได้บรรยากาศที่สงบงามมีความสุขและจิตใจที่รื่นรมเป็นสภาพที่เอื้อเกื้อหนุนการปฏิบัติในการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาสูงขึ้นต่อไป นี่ก็เป็นเรื่องชี้แนวทางในการพัฒนาจริยธรรมด้วยให้เห็นการที่ความดีงามพัฒนาไปด้วยกันกับความสุขใหคนมีความสามารถที่จะสร้างความสุขขึ้นเองได้และในการพัฒนาชีวิตคนก็มีความสุขไปด้วยทั้งหมดนี้ก็เกิดจากชันทะนั่นเองซึ่งเท่ากับบอกด้วยว่าการศึกษาที่แท้ เป็นการพัฒนาจริยธรรมอยู่ในตัวมันเองทีนี้ก็มาถึงความสุขอย่างสุดท้ายคือความสุขทางปัญญาซึ่งอยู่ในระดับของความสุขที่เป็นอิสระปัญญานี้เป็นตัวปลดปล่อยทำให้หลุดพ้นให้เป็นอิสระเราทำอะไรทางกายวาจาติดขัดคือติดขัดทางพฤติกรรม เราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรพอปัญญามารู้ว่าจะทำอะไรได้อย่างไรก็โล่งไปทีเราไปไหนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรใครเป็นใครปลอดภัยไหมจะออกทางไหนจะพ้นไปได้อย่างไรเราควรจะทำอะไรใจก็บีบคั้นอั้นอึดอัดพอรู้ก็โลง่งใจก็หายบีบคั้นหมดทุก หรือเกิดปัญหาชีวิตคิดไม่ตกก็ทุกใหญ่พอปัญญามาก็แก้ปัญหาได้ใจก็หลุดพ้นจากทุกปัญญาทําให้เกิดอิสราภาพในแง่ในด้านในขั้นต่างๆไปเรื่อยๆพอแก้ปมหัวใจของทุกขหลุดไปได้ก็ถึงอิสราภาพขั้นสุดท้ายที่สมบูรณ์ก็เป็นความสุขที่สมบูรณ์ด้วย